วันนี้เป็นวันที่เจ็ดกันยายนพุทธศักราช25ัหหลวงพ่อได้ประกาศว่าวันที่ส9บกาันยาห้หเป็นวันบุญฉลากกพัดทางอีสานเหนือของเราเป็นวันสำคัญเป็นวันทำบุญใหญ่ กลางปีแลืนในพันษามาทาบุญข้าวฉลากก็คือฉลากกระพัดแต่หลวงพ่อถือบอกประกาศให้ข้ะรัทธา ญ, ญาติโยมได้ทราบว่าพวกเราจะบรรจุพระธาตุเตื้อธิธาต์ของประมาจา์คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงพ่อ ไปกรุงเทพคุณหลวงได้ถวายเกษาเกษาหลวงปู่มั่นแล้วก็อัธิธาต์พระธาตุหลวงปู่ลาแล้วก็อธิธาต์พระา ธ, า ธ, ธาตุาของหลวงตาอธิธาต์พระาธาตุของคุณแม่ชีแก้วคิดว่าจะบรรจุวันที่สิเก้ากันยา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 รูปหนึ่งก็5 0 0แสนค่าแกะค่าค่าหินประมาณ6 0หมืนส่งถึงที่อะไรลักษณะนั้นนะประมาณ5 0 0แสนก็5องค์คุณแม่2คุณแม่นำมาไว้ที่ของเรานี้อยู่ที่นี้องค์หนึ่งแล้วก็อยู่ที่เจดีของคุณแม่บ้านห้อยทรายอีกอยู่ชั้นบนแต่ก่อนก็เป็นไฟเบอร์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 เอากล่องส เ, เตนเลสเขาพอ่อก็เลยใส่เป็นกล่องส เ, เตนเลสแล้วก็มีพระาธาตุใส่เข้าใส่นี่แหละหลวงพ่อก็คิดคิดไกลเหมือนกันนะปลูกหลานคณะสัตธาญาติโยมถ้าเราคิดคิดใกล้ๆเผื่อเขาทุบองค์หลุมันเสียเท่าไหรนะ่ไงกระปุกทองคําใส่เข้าไปนะไม่กี่เงินแต่เขาทุบพระเนะี่ยโอ้เสียหาย พนักลงพ่อว่อย่าอย่าให้เป็นสนวนในการทำร้ายทำลายวงคูบาอจารย์หลวงปู่หลวงพ่อก็เลยจะใช้สเตนเลสเป็นสัตรับจากนั้นก็บรรจุพระทานอธิธาตของท่านทานเองจะไม่บรรจุเงินเพชรนินจินดาอะไรทั้งหมดเพราะว่ากลัวจะอันตรายอันนั้นกับวันที่สิเกนะ้าหลวงพ่อคงจะได้บรรจุ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 แต่จะมามากน้อยแค่ไหนหลวงพ่อก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าจะมาวันนี้แล้วก็วันที่ส7ที่จะถึงจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับสถานีวิทยุของหลวงตาอาจจะมีการพูดเลงถึงเรื่องเจดีของหลวงตาด้วยเขาพนัดกันแต่หลวงพ่อก็รับรู้รับทราบวันที่ส7บเจแตส่สถานที่นั้นยัง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 ช่างบัวสร้างศิลป์เป็นลูกมือจากนั่นกับศาลาศาลาวัดป่าบ้านตาดศาลาในครัวนั่นนะอันนั้นก็หลวงปู่ฟักเป็นคนสร้างแต่ศาลาใหญ่หลวงตามหาบัวเจ้าคุณธรรมเจดีมานั่งเป็นประธานเป็นปรมุกประธานกับมีพวกชาวบ้านช่างศิลป์ช่างบัวกับพระชาวบ้านมาลยุยกมาช่วยกันยก ศาลาหลังนี้แต่หลวงพ่อไม่ได้เข้าไปนะนีพ่พูดก่อนเกิดะแล้วก็กุฏิหลังกุฏิหลังกุฏิที่ทางใกล้ๆกุฏิลงตาอันั้นกับหลวงปู่ฟักสร้างศีลเป็นคนช่างทํำจากนั้นกุฏิลงปู่เป็นมีอันนั้นกัหลวงปู่นี่กือพกลงปูงป่ฟักสร้างศีลเป็นคนทําะหลวงพ่อไม่ได้ทําำกุฏิฟินลิปนั้น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 ทานกุฏิในครัวกักุฏิซุนหญิงสงศี์ อ, อือันนั้นพวกชังบัวเป็นคนทำหลวงปูป่บุญมีเป็นคุณควบคุมแต่กุฏิหมอมหลวงกิติเนี่ยหลังแฝดนั่นแหละท่านประยูนยเป็นคนทำเราเนี่ยแหละเป็นคนช่วยกันทำํำที่กุฏิพระหลวงพ่อได้ทําช่วยเกือบทุกหลังเพราะหลวงตาช่วงนั้นจะพัฒนาจากกระต๊บกระแต้มมุงหลังคาหญกขึ้นมาเป็นถาวร น, นั่นแหะ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 อันนี้ก็คือลุงพ่ออยู่อย่างต่อเนื่องสืบเนื่องแต่นั้นก็มาอยู่ที่นี่ถ้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่สอง5ันห้ายี่สิบาจนมาถึงป่านนี้มาอยู่ใหม่ๆหลวงตาก็ท่านก็ไม่ไม่อื่ออํานวยท่านก็ไม่คล้ายๆกับว่าท่านมองๆดูว่ามันจะไปได้ยังไงทําอย่างไางไสมัยท่านกักนดานะก็มาดูดูเสร็จแล้วก็หายไปต่อมาเราก็มาสร้างสาล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 ใหญ่มากครับไม่ใช่เล็กกว่าบ้านตาดครับคือเสาในะระหว่างเสาเนะี่ยยี่สิบสี่เมตรความกว้างและความยาวยี่สิบสี่เมตรความกว้างกวามม้างสิบหกเมตรแต่บ้านตาดกกว้างสิบเจ็ดเมตรกว่าครับแต่ยาวเนะ่ยยี่สิบสามเมตรกว่าครับแต่วัดเนื้อที่ต่อเนื้อที่ใส่กันแล้วนาคำน้อยในะเล็กกว่าบ้านตาดสิบพลาตารางเมตรกว่าครับ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 ปูนขาดตลาดอีกต่างหากช่วงนั้นเหล็กเส้น4ี่หุนประมาณ35ถึง40บาทน่ที่เราได้ซื้อตั้งทำถึงหลายปีตั้ง5บริษัทที่มาทำกำแพง6กิโลกับ7 0็กว่าเมตรเมตรละ2 0 0พกว่าบาท 2,500 ต่อมาดเมตรด้ามพ0นนี่แหละอันนี้ก็คือลงตาช่วยทั้งหมดปัดจจัย20กว่าล้านจากนั้นลงตา ก, ก็ขุดสะให้อีก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 อยู่ในพินัยกรรมต่อมาท่านปัญญาองค์หนึ่งต่อมากับท่านบันชัยสามองซีอ่แต่ท่านสุดใจเป็นผู้เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วให้เป็นผู้จัดการเรื่องมรดกคล้ายๆว่าเป็นผู้คลองมรดกของพ่อนี่แหละจากนั้นก็เป็นของญาติโยมที่ดวงตาเห็นมองถูแลเห็นว่าจัดจัดการจัดงานเรื่องชลีละของท่านได้ ท่านก็มอบห็หกเตอร์เฉาคุณชัยป๋มผู้กำกับคุณศิริสรุปแล้วก็รวมแล้ว9ก้าคนนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นพินัยกรรมของหลวงตาที่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหาว่าพ่อไม่ไว้ใจพ่อท่านจะมอบหมายให้ดังอย่างไรแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้พูดว่าหลวงตามอบ ไ, มไว้ใจเรา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 ที่ลงไปที่วัดป่าบ้านตาดทาเสร็จแล้วก็ยกให้หลวงตาทั้งหมดหลวงพ่อไม่ได้คิดแบ่งสันปันส่วนไม่ได้คิดว่าศาลาหลังนี้หลวงพ่ออินเป็นลงมือสร้างใครรื้อไม่ได้กุฏิหลังนี้หลวงพ่ออินสร้างใครรื้อไม่ได้ถนนสายนี้ทําขึ้นมาแล้วหลวงพ่ออินสร้างใครรื้อไม่ได้หลวงพ่อจะไม่ทาอย่างนั้นที่ดินทุกอนู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 พวกเราตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดทั้งสิบชาติเจดีก็ยังอยู่แต่สารานะี่อยู่ไม่ได้นานสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในนั้นไม่ได้นานแต่เจดีของหลวงตานะอยู่ได้นานเพราะก็จะทำให้อยู่มั่นคงที่สุดเพรา ะ, ะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดไกลๆคิดให้ก ว, กว้างๆคิดให้รอบคอบคิดปูชาพระคุณหลวงตา อ่าท่านั้นไม่มีปัญหาแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบแล้วนะเมษานะกเจ็7สิบเต็มเปี้ยนะ่ะเดี๋ยวนี้เดือนกันยาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ครบเจ็ดสิบต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่ออินจะอยูน่นานไปสักเท่าไหร่อกูบาจยานตายให้เห็นไม่รู้กี่องค์อายุเท่าๆไล่เลี่ย ก, กันหลวงพ่อไพโรดก็เจ็ดสิบหกปีเจ็ดสิบสองปี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 ตายแล้วไม่ศูญพูดอย่างนั้นได้ตายแล้วเกิดอีกตามแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วตายแล้วเกิดถึงที่ให้เกิดเกิดนั่งคืออะไรก็คือวิญญาณคือใจตัวผู้รู้นั่นะตัวนกคิดนั่นะตัวสมองนั่นแหล้ที่ประพาไปเกิดแต่ร่างกายของพวกเรานี่าตายแน่นอนเอาไปเผาไฟทิ้งแน่นอนเอาขึ้นสูเมนแน่นอนเอาไปฝังที่หงสวุวยแน่นอน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 แต่ร่างกายของท่านก็แก่เออแต่ว่าใจของท่านเนี่ยผุดพองนะนำ ม, มาทําตัวผู้รู้ของท่านนั่นแหละเป็นอริยะบุคคลปสัสรดาสกทาคานาคาอรหรันใจของท่านแต่ร่างกายของท่านเน่ยเหมือนกับสามันชนทั่ ว, วไปคนทั่ ว, วไปเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายก็ไปในลักษณะนั้นตัวนั้นอยา่าอย่าประมาท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 แต่คนมีเงินต้องไปซื้อรถดีๆมาขี่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีเงินมีบุญมากๆเราก็ไปเข้าไปอยู่ในท้องแม่ที่รวยๆฮะเออที่มีตระกูลรวยๆเกิดมาแล้วก่อนเป็นผู้มีบุญเป็นที่ยอมรับอ่าเพราะเท่าไหร่เพราะเราเกิดในตระกูลสูงตระกูลที่มีเงินคนที่จะไปเกิดอย่างนั้นได้ต้องเป็นผู้มีบุญ ถ้าเราไม่มีบุญเราจะไปเกิดได้อย่างไรเไเพราะนั้นขอให้พวกเราสั่งสมบุญบุญนี่แหละจะนําพวกเราไปสู่ปัลโลกภายภาคหน้ามีแต่ความสุขความเจริญดังนั้นวันในหลวงพ่อเน่บอกกล่าวแนวความคิดมากหลากหลายให้กับคณะทศัทาญาติโยมลูกหลานพาะเนรได้ฟังอาต่อเ น, นี่ไปรับพร อ, อนุโมทนา